โลกของเราใบนี้ต่านฟังมีเครือข่ายครอบกลุ่มอยู่เครือข่ายนี้ต่านบังอาจจะนึกถึงเครือข่ายใยแก้วนาแสงที่เารียกกันว่าไฟเบอร์ออปติกยึดโยงโลกอยู่เชื่อมจากทวีปนี้ไปทวีปนั้นผ่านเคเบิลใยแก้วนาแสงใต้ทะเลเครือข่ายพวกนี้ต่านผูังมันทำลายง่ายมากเอาแค่ว่าสายเคเบิลเส้นหนึ่งเท่าโคนแขน แม้เอาคีมดีๆมาตัดมันก็ขาดเหมือนกันหรือเอาเรื่อยจอใส่นี่ยมันก็ขาดได้เหมือนกันเครือข่ายไร้สายไม่ว่าจะเป็นระบบ 3G 4G หรือ 7G ก็ตามหรือเป็นเครือข่ายที่เป็นดาวเทียมเนี่ยเป็นระบบ uplink downlink ขึ้นไปผ่านดาวเทียมไปนอกโลกพวกนี้มันก็ยังมีเครื่องมือที่กวนสัญญาณได้นะป้องกันได้ เราอยู่ในห้องที่เป็นเหล็กเป็นคอนกรีตซะหน่อยการส่งสัญญาณก็ถูกขวนถูกขัดขวางถูกปิดกั้นได้เครือข่ายพวกนี้ไม่นับว่าเป็นเครื่องที่จะยึดโยงโลกไว้ได้หรอกเพราะว่ามันก็มาแป๊บเดียวถูกตัดก็ขาดมีเครื่องมือแรงต่านที่จะมาแก้มาได้แต่เครือข่ายที่พระเจ้าพูดถึงว่าเป็นเครือข่ายที่ยึดโยงโลกอยู่นี่นั่นคือเรื่องของตัณหนาทุฝ ตันหาเนี่ยมันรั่วรัตคนที่อยู่ในโลกนี้เอาไว้ไม่ใช่แค่โลกมนุษย์อย่างเดียวยังรวมถึงเทวดาพรหมยังรวมถึงลงไปข้างล่างถึงพวกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกทําไมข้าพเจ้าถึงบอกว่าเครือข่ายของตันหาเนี่มันหนาแน่นกว่าแต่มบางท่านอยาจะเห็นว่าเขาตั้งเสารตรงนั้นตั้งเสารตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเสริมเครือข่ายของเขาให้แน่นหนา หรือว่าเห็นเขาเคยวางเคเบิลใต้น้าจากตรงนี้ไปตรงนั้นมีความอลังการมีความแน่นหนาทีเดียวแต่เครือข่ายของตัญหาเนี่ยมันหนาแน่นกว่าอีกจำเปังเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยเอาเครื่องมือวัดอะไรมาวัดมันยางมัดได้ความเข้มข้นของสัญญาณบ้างความเร็วของสัญญาณบ้างยังเอาเครื่องมืออะไรต่างมาวัดได้อย่างที่ว่าแต่ตัญหาที่มันร้ายกาจกว่านั้นก็เพราะว่า มันมองไม่เห็นเราไม่มีเครื่องวัดอะไรที่จะมาวัดว่าปริมาณปัญหามันมากหรือมันน้อยอาจจะวัดได้อยู่นดูเห็นเป็นคร่าวๆแต่จะออกมาเป็นตัวเลขนั้นไม่มีเพราะว่าตัวมันนั้นถูกปกปิดเอาไว้เป็นเครือ่ายที่มองไม่เห็นถูกปกปิดเอาไว้ด้วยกลุ่มมืดคืออวิชากลุ่มมืดคืออวิชามันก็จะครอบงาครอบคลุมมาตามกระแสของตัญหาหมอกควันนี้ไปที่ไหน ข้างล่างนี่มันก็จะมีไอ้เครือข่ายนี่เลือ้อยตามไปขยายตามไปยิ่งหนานแน่นมากเท่าไรใบถึงกลุ่มมืดนี่ยิ่งเข้มข้นหน า, นานแน่นมากเท่าไร่ไอ้เจ้าตันหานี่ก็ยิ่งหนานแน่นรัดเดึงมากเกินมันเป็นสิ่งที่เลือ้อยไปคลืบคลานไปแผ่ซ่านไปแล้วก็มองไม่เห็นด้วยมองไม่เห็นว่ามันไปติดตรงไหนไปยึดตรงไหนนี่คือลักษณะของตันหาดำฝัง่งที่เป็นเรื่องรึงรัด เป็นเครื่องร้อยรัดเป็นเครื่องปิดเป็นเครื่องครอบคลุ่มโดยตัวมันเองก็ถูกอวิชาบาังเอาไวา้บังเอาไว้ไม่เห็นว่าไอ้ที่มันรัดรึงเนี่ยมันรัดตรงไหนอย่างเครื่องกายอย่างอื่นแอ้ยังรู้ว่าอ๋ อ, อต้นตออยู่ตรงนี้ที่สุดมันอยู่ตรงนี้เขาตั้งเสาวไว้ตรงนี้สถานีเขาอยู่ตรงนี้และยังรู้ต้นตอรู้ที่สุดของมัน แต่ตั้นหาธรามากู้ขอวิชาแล้วโอ้โหจำบั ง, งหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏเป็นครอบงมเนี่ยมันมึนไปหมดแต่ไม่เหมือ น, นกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเครือข่ายดาวเทียมหรือเครือข่ายเคเบลิลใยญ่แก้วใต้น้ําที่มันยังทําประโยชน์ให้เร า, าเชื่อมจากจุดนี้ไปจุดนั้ น, น, นเชื่อมแล้วก็ส่งสัญญาณข้อมูลแรไรต่างดูได้ดีไม่มีปัญหาคุณรู้เหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดอีกทวีปหนึ่งส่วนหนึ่งของโลกได้ แต่ถ้าถูกตันหารัดรืงแล้วเนี่ยมันมีแต่จะดึงเราลงต่ําและลงต่ําลงต่ําไปมีความหนักมีความอึดอัดแต่เราก็ไม่รู้เพราะว่าถูกอวิชามันบังเอาไว้ไม่รู้เว้ะทาไมเราแน่นขึ้นแล้วเวลาที่มันรัดรึงเนี่ยตัง้งฝังมันค่อยๆ ค, คลืบคลานไปทีละนิดละนิดแต่เป็นเครือข่ายที่เขาวางไปนี่แหละตั้งทีละเสาสองเสาไปทีละเมตร2เมตรเพื่อที่จะ ยึดโยงเอาไว้แล้วก็ยังมีเครื่องปกปิดมันเหมือนกับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ค่อยๆคืคบคลานไปเลือ้อยไปและเส้นใยของมันที่ค่อยๆคืคบคลานไปเลือ้อยไปนันมองไม่เห็นด้วยนะเป็นชนิดที่แบบมองไม่เห็นเพราะมีอวิชฐานมันกลุ่มอยู่มันทำให้ไม่รู้ว่าไอ้ทีมไปรัดนี่มันรัดตรงไหนแล้วต้นตอมันอยู่ตรงไหนมันคิดว่าเป็นจุดอื่นบางทีคิดว่าโอ้เป็นเพราะคนอื่นทำํำในที่เรามีความทุกข์เนี่ย คนื่นเป็นคนทำอะไรบางทีว่าเป็นเพราะว่าพ่อแม่เป็นอย่างนี้มายิบ ค, คู่ครองฉันเป็นอย่างนี้เพราะเวลามันรัดรึงทําให้เรามีความทุกข์เราก็คิดว่าคนอื่นทําเป็นสิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวมันเพราะตัวมันนี้ถูกปกปิดเอาไว้อยู่ใน ว, วิชาบางทีมีปัญหาเกิดขึ้นในที่ทํางานก็คิดว่าลูกน้องเป็นหัวหน้าเป็นแต่ไม่ใช่ตัวฉันเกิดอะไรขึ้นก็คิดว่าเป็นเรื่องของหมอหมอทํา เป็นกรครำก่าวบ้างเทพบรรดาลเทพเทวดาไม่พอใจอินพรมีิศวนบรรดาลแต่เป็นเพราะภัยธรรมชาติเป็นเพราะรัฐบาลเป็นเพราะฝ่ายการหรือว่าชีวิตชันเป็นอย่างนี้เพราะฉันไม่มีโทรศัพท์นี้ไม่มีแอปนี้คิดว่าเป็นคนอื่นทําเพราะนี่คือธรรมชาติของตนาเดาบุฟังมันรัดเริงทําให้เรามีความทุกข์แล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าตัวนี่คือเหตุเพราะาเรามองไม่เห็นมันมันถูกอภิชาปิดบังเอาไวอ้อย่างที่ว่า ทำให้ไปเข้าใจว่านั่นเป็นเหตุสิ่งอื่นเป็นเหตุเพราะเวลาที่มันรัดรึงแล้วในตำรวงมันเชื่อมโยงด้วยลักษณะการเชื่อมโยงของมันก็คือเอาเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนี่ยมาเชื่อมโยงกันทําให้เราคิดไปว่าโอ้ไอ้นี่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นอย่างนู้นมานที่เด็กโตขึ้นมาไม่ดีอาจเป็นเพราะนมแม่หรือเป็นเพราะว่ามีสิ่งเวลาไม่ดีอาอแต่เราก็เห็นอยู่บางคนเกือบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแต่ว่าก็ยังเป็นคนดีก็มี นะไอ้เรื่องสิติที่เขาไปวัดมาไปอะไรมานั่นก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นจริงได้แต่ว่าคนที่ดีเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาก็ดีแต่คนที่ไม่ดีต่อให้อยู่ที่ดียังไงมันก็ไม่ดีเพราะอะไรก็นี่แหละทจำฝังกนะ็เรือข่ายคือตนาที่รัดรึงในจิตใจของบุคคลผู้นั้นที่เมื่อไรที่มันรัดรึงแล้วมันเอาเรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยมันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเป็นเหตุเป็นผลทําให้เรามึนงงไป ไอ้ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเอามาเกี่ยวกันจนได้คนนี้ไม่ได้ทำเรื่องนั้นก็เอามาเกี่ยวกันจนได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกั น, ก, นก็มาทำให้มันเชื่อมโยงกันติดกันแล้วก็คิดไปแก้ปัญหาไปแต่ตัวมันหาไม่เจอไม่ได้นึกถึงไม่ได้รู้ถึงว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันมาจากตรงนี้เพราะมันบังอาไว้มันมองไม่เห็นบางคนถูกรัดรึงถึงขนาดที่เรียก ว, ว่าจะขยับไปทางไหนก็มีแต่คำดาคาว่า จะพูดอะไรออกม า, าก็พูดสิ่งที่ตัวรู้ว่าไม่รู้พูดสิ่งที่เห็นว่าไม่เห็นเนะื่อเพราะถูกตันหานิรัดเอาไว้ในใจขยับไปทางไหนก็เป็นแต่อกุศลดูหน้าในตำฝังไม่รู้หรอกว่าใจเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบางคนแต่งตัวดีหน้าตาหลอ่อหน้าตาสวยแต่ข้างในถูกรัดรึงอย่างแน่นหนาจะขยับไปทางไหนโอ้โหก็มีแต่เรื่องที่เป็นอกุศล้วนะเราพอจะดูได้ว่าคนนี้ถูกรัดรึงแน่น หรือรัดเรื่งน้อยก็ดูไอ้ตรงที่เขากระทํานั่นแหละสิ่งที่เขาพูดวาจาที่เขาทาดูได้ น, นิดๆแต่หน่อยต้อฟังเพราะว่ามันถูกบังเอาไว้อยู่แต่บางคนพูดแสนหวานฟังแล้วดูดีมีเหตุผลหน้าตาหล่อแล้วแต่จจแจ้งในกักกะก็มีแต่โจนซ้ายนอกเราเห็นเยอะๆและด้วยความที่มันมีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมันคืบคลานไปเรามองไม่เห็นถึงแม้เราจะเห็นมันเราก็คิดว่าอันนี้เป็นตัวเรา ว่า น, นี่เป็นของเราเพราะด้วยความที่มันเป็นลักษณะมองไม่เห็นมันซ่อนอยู่ในใจคือมันเป็นลักษณะของมเมื่อเห็นแล้วก็คิดว่าอันนี้นเป็นตัวเราเมื่อเห็นแล้วก็คิดว่าอันนี้เป็นของเราเมื่อเห็นแล้วก็คิดว่าอันนั้นน่ะเป็นตัวตนของเราเพราะว่าความที่มันซ่อนอยู่มันแอบแฝงอยู่มันทาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้นที่วยาด ไ, ไม่เกี่ยวข้องกันอารมณ์นี้ความรู้สึกนี้บุคคลผู้นี้ภาษาผู้นี้ที่มากระทบเราเนี่ยคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นเหตุ แต่ที่อยู่เบื้องลึกใต้ซ่อนอยู่ตรงนั้นคือตันหาที่มันทําให้มันเชื่อมโยงกันแล้วตันหาที่มันครอบงําค ร, ครอบคลุ่มไปเนี่ยท่านผฟั ง, งมันไปก่อนแล้วมันไปก่อนเพื่อนเลยเป็นตัวบุกเบิกเป็นตัวที่นําร่างที่จะทําให้อายัางอื่นๆเนี่ยมันตามไปอย่างเช่นว่าเครือข่ายของเคเบิลใต้น้ําเครือข่ายของเคลื่องไร้สายต่างๆพวกนี้เขาก็ต้องมีคิดกันไปก่อนแล้วตันหาให้มันไปก่อนแล้วท่านผูฟังมันไปก่อนในใจเรียบร้อยแล้ว แล้วเจึงคิดวิเคราะห์ทำแผนงานออกมาเขียนเป็นแบบออกมาอันนี้ปรากฏบนกระดาษเอาที่เขียนเป็นแบบมาออกอไปทําถึงจะปรากฏจริงๆตันหามไปก่อนแล้วหรือแม้แต่เครือข่ายของคนโกงแตนะคนโกงระดับชาติระดับโลกเนี่ยที่เขาเป็นเครือข่ายกันเนี่ยคุณตามไปเครือข่ายของมาเฟียก็ตามเครือข่ายของนักเลงก็ตามแล้วตามสายเงินไปเงินไปทางไหนตามเลขบัญชีไปตามสายการากบัคบัญชาไปไอ้พวกนี้ตามสายของตันหาไปที่หลังแล้ว ตันหามันไปก่อนหน้านั้นนานแล้วไอ้พวกนี้จริงถึงก็ยตามไปอย่างไรก็ตามไอ้เครือข่ายอื่นๆที่เขาตามไปตามไปตามกระแสของตันหาไปก็ตามเอาเราก็ตามกระแสของไอ้พวกเครือข่ายนี้ไปเครือข่ายทั้งสองอย่างนั่นแหละแตตามไปทําไปเรายังเจอจุดต้นต่อของมันแตตามสายไปเราก็เจอสถานีอย่างนี้แต่ตามคลื่นไปเอาก็เจอเสาอยู่ตรงนั้นแตตามเลขเงินไปตามบัญชีไปตามสายการมคบัญชาไป เราจะเจอตัวหัวหน้ามันจะเจอตัวหัวหน้าของแก๊งนี้ของกลุ่มนี้ขององค์กรนี้ที่เป็นเครือข่ายเป็นต้นต่อเราจะเจออยู่แต่ต้นหานี้เติฝั่งมันเหนือชั้นกว่ามากตรงที่ว่าถ้าเราตามไปตามไปตามไปเนี่ยมันจะงงไปหมดมึนไปหมดต้นต่อหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะมันปกปิดรัดรึงแน่นทีเดียวตอนที่เราพยายามคลี่มันออกมามันก็ยังงง ง, งอยู่ว่าเอ๊ะต้นต่ออยู่ตรงไหน เพราะว่านี่คือธรรมชาติของมันมีความปกปิดมีความเหนียวมีความหนืดเป็นลักษณะแผ่ซ่านครอบงำหนรัดริงจิตใจของสัตว์อยู่ในนี้แล้มันมองไม่เห็นที่มันมีอวิ ช, ชาเข้ามาบังด้วยไอ้เครือขกายนี้ตำรวังถ้ามันตกที่ไหนมันแผ่ซ่านไปที่ไหนจิตใจของใครแล้วโอ้โหทําหวังเอ้ยนะ่ะมันยิ่งจะดึงเราลงต่ํานะ่ะเหมือนกับวัชพืชเหมือน เถาวันเนี่ยท่นฟังเวลามันพันมันรัดรึงต้นไม้นั่นมันก็โตยากนะชุนดอนพูดั่านแต่งเอาไว้แม้เถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนใช้คนที่ถูกรัดรึงจนคดงอบิดเบี้ยวด้วยอำนาจของตันหานี่แหละสภาพของมันเราอาจจะเห็นการทำงานได้คล้ายๆกับเถาวันพอโตขึ้นที่ไหนมีวัชพืชที่ไหนมันทําให้ต้นไม้รับๆตัวมันเนี่ยมีปัญหาไปหมด ช้ารูปร่างบิดเบี้ยวไปในแตาวันที่พันนั้นบางทีมันมีใบนุ่นชูอยู่บนยอดแล้วนะก็ฝนตกชัยนะมันก็รับน้ําเต็มเต็มมันไปรับแสงก่อนรับน้ําก่อนรับแดดก่อนเพื่อตัวมันจะได้โตนะไปรัดรึงต้นอื่นต่อไปนะรับน้ําจนกระทั่งบางทีหนักมากแล้วนะก็เอน็นเอียงนะจนกระทั่งต้นไม้หักโค่นไปต้นหามันลักษณะการทํางานไปแบบนี้ดึงให้เราลงต่ําต่ำไปไหน ตาไปในทางไม่ดีตามไปในทางที่จะด่าว่าคนอื่นคิดว่าคนอื่นเป็นต้นเหตุของบัญานทั้งสิน้นตามไปในทางที่จะพูดโกหกบอกสิ่งที่รู้ว่าไม่รู้บอกสิ่งที่ทําว่าไม่ได้ทําแต่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งต่ําลงไปอีกพอเริ่มพูดไม่ดีอันเป็นผลจากการที่จิตใจนั้นไม่ดีจิตใจนั้นถูกตัณหารัดรึงแล้วแต่ไม่ปากขยับออกไปว่าไม่ดีแต่พูดไม่ดีมากขึ้นทําไม่ดีมากขึ้นแล้วก็ยิ่งลงต่ําลงต่ําผิดศีลมากขึ้น ก็ไปถึงกำเนิดตดราาัจฉานนรกเปรตวิสัยมันต่ำไปขนาดนั้นต่ำแล้วก็ต่ำนานกว่าจะเรียนรู้รู้ตัวขึ้นมาได้โอ้ยนานมากท่านฟังตกต่ำลงไปนานนานคือปกติโลกของเราใบนี้เป็นน้ำสามส่วนเป็นดิน1ส่วนด้วยต่อให้น้ํามันท่วมจนกระทั่งเป็นน้ำสี่ส่วนไปหมดเลยแล้วในน้นํานี้มีคนโยนแอกไม่ไผ่ลงไปอันหนึ่งแต่มีลมทะเลพัดไปพัดมาตามเรื่อ ง, ต า, องตามราวกมัน ในแอกนี้มีรูอยู่รูหนึ่งและในน้ําทะเลนี้ก็มีเต่าอยู่ตัวหนึ่งที่ตาบอดเต่า ต, ตัวนี้อึดมากหนึรยปีโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งเดียวโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้เนี่ยที่ลงไปร้อยปีแล้วถึงค่อยโผล่ขึ้นมาหายใจเนี่ยเมื่อเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วโอกาสที่มันจะเอาหัวของมันเนี่ยสอดเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนี้มันยากมาก คือยากมากนี่ห ม, มายความว่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่จะใช้เวลานานมากไอ้การที่คนพาลเนี่ยตำัง่งถูกตั้นหารัดเรึงแล้วจนกระทั่งต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนเข้าถึงนรกกำเนิดในราชานเปรตวิสัยแล้วนี่มันนานขนาดนี้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนานมากกว่าจะได้กลับมามนุษย์สักครั้งหนึ่งนานเท่ากับโอกาสที่เต่าเนี่ย่ให้มันจะเลงก็ตามเถอะมันก็มองไม่เห็นพระตา ม, มันบอด แต่แล้วจะเอาหัวซุกเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอร่ยมันแท บ, บจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยมันจะนานมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีอย่างที่บอกนะว่าลักษณะของมันเนี่ยมองไม่เห็นเป็นเครือข่ายยึดโยงครอบครุมไปเหนียวเหนืดแผ่ซ่านรัดไว้หลุมๆแต่แก้ได้ยากเห็นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกรัดอยู่อยู่ไอสิ่งที่รัดนั้นเป็นตัวเรา หรือบางทีบงคนเนี่ยมีปัญญาเห็นว่าไอ้ตรงนี้ปัญหาก็พยายามจะแกะจะฟันมันออกแต่ฟันมันก็ฟันตรงต้นมันเดี๋ยมันก็เติบโตขึ้นมารัดใหม่ฟันตรงนี้พยายามที่จะแก้ไขตัวเองแต่ตรงนี้ไม่ดีเอ้าเราฟันเองวัชจะพูดตรงนี้ทิ้งเออีกสักพักหนึ่งมันโตกลับขึ้นมาเหมือนเดิมรัดแน่นกว่าเก่าอีกอ้าไปฟันตรงนั้นแต่พยายามที่จะแก้นิสัยเช่นบางคนยอมรับนะว่าตัวเองทําไม่ดีใช่ไหมมีนิสัยอะไรต่างๆที่ไม่ดีพยายามที่จะแก้เรื่อง ติดยาเสพติดเป็นต้นติดบุหรี่ติดเหล้าอะไรต่างๆก็ว่าไปอันนี้เป็นสิ่งดีเอาคุณรู้แล้วว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ดีเอาเราฟันตรงนี้ดัดตรงนั้นแก้ไขตรงนี้เพื่อที่จะให้เราดีขึ้นแต่ถ้ารากเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกขุดออกไปดะาุณฟังมันก็ยังจะต้องโตขึ้นมาใหม่ผ่านไป3เดือนอา่าโตกลับขึ้นมา น, นิสัยนี้เราว่าเราแก้ไปแล้วเอ๊แต่ทําไมปีหนสองปีผ่านไปเอ๊นิสัยนี้กลับมาอีก แต่โชคดีเท่าับว่าโชคดีที่เรามีพระองค์หนึ่งแต่ที่รู้ถึงรากเงาของมันจับรวบให้ไหนที่มันแผลซ่านไปรัดรึงมองไม่เห็นเนี่ยรวบให้แล้วว่านีโคมอยู่ตรงนี้นะอีกมัด น, นึงก็รวบไว้โคมมันอยู่ตรงนั้นนะฟันตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วขุดลงไปตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เห็นรากแล้วเราก็จะได้ตัดมันตรงนั้นแล้วก็เอาถอนรากถอนโคนของมันออกมา ไม่มีเศษเหลื อ, อไว้ไม่งั้มันอาจจะโตได้พระองค์นั้นก็คือสมณโคดมคนที่ทำอย่างนี้ได้ก็แน่ น, นอนมีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเอาไว้ท่า้ฟังเรียกบอกว่ารวบรัดไว้ให้รู้ว่ากองนี้เป็นอย่างนี้นะ่ยตัดตรงนี้แยกแยะให้ว่าตัณหาที่มันรัดเริงเนี่ยมันมีอยูร้อยแอย่างเดี๋ยวรัดตรงนี้รัดตรงนั้นคลืบแคลมไปตรงนี้เนะี่ยเน็บเหนียวยึดโยงตรงนั้นได้ ไอ้ที่ไม่เกี่ยวกันในร้อยแอย่างนี้มันจับมาเกี่ยวกันหมดเอารวบให้เหลือ36อย่างนี่โครมีอยู่ตรงนี้กิ่งใหญ่มีตรงนี้แต่แยกแยะรวบให้อีกจากไอ้ที่ร้8อย่างไม่รูจะฟันตรงไหนฟันมันร้อแปที่เนี่ยโอ้เดี๋ยวมันก็โตอีกเอารวบเข้ามารวบมาจากร้อยอย่างเนี่ยเหลือ36อย่างแยกแยะให้แต่สาอย่างมีอยู่3กอเอาไอ้สาอย่างนั้นก็แยกแยะให้ด้วยว่ามันมีอยู่18อย่างจับเอาไว้ มาเอาไว้ให้เห็นแล้วไอ้สิอย่างนี้ก็แยกแยะให้ว่ามันมา6กอย่างนั่นแหละมีอยู่6กอที่ตัณหามันจะงอกเงยขึ้นมาได้นั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตัณหามันจะเกิดขึ้นมาตรงนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นสัมผัสก็ตามจะเป็นรูปที่เห็นต่างตาก็ตามจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่างตาก็ตาม จะเป็นความหมายรู้ที่เกิดขึ้นต่างๆเป็นความรู้สึกเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องในนี้รุ่เจ้าเราแยกย้ให้แล้วแต่มันอยู่ตรงนี้6อย่างนี้มันก็มีร่างมาจากอันเดียวนั่นแหละคือสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นเมือ่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นแล้วอะไรล่ะที่มีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก คำตอบก็คือที่เราเห็นนั่นแหละที่เราคิดนั่นแหละที่เราเข้าไปรับรู้นั่นแหละที่เราสัมผัสนั่นแหละจะเป็นความรู้สึกก็ตามเป็นความหมายรู้ก็ตามเป็นอารมณ์ใดๆก็ตามที่มีลักษณะเป็นภาวะที่รักได้ที่มีลักษณะเป็นภาวะที่ยินดีได้แต่นามันจะเข้าไปจับตรงนั้นมันจะไปทางนี้ถ้เราไปตามทางนี้ต่าหวังเราสามารถที่จะแยกแยะออกได้ว่าอที่เราถูกรัดดึงตรงนั้นก็รัดตรงนี้ก็รัด มันแ น, น่นไปหมดมองไม่เห็นว่าอะไรยุ่งเหยิงอีลงตรงนั้งไปหมดเนี่ยมันแยกเป็นอย่างนี้เป็นแค่6 ห, หน่อม嘛ลักษณะของมันมันมีการทําทงานอย่างเดียวกันอันไหนมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีมันไปรักตรงนั้นแล้วถ้าเราไปตามสายนี้นเราเริ่มจะเห็นตัวต้นตอมาละตรงที่มันอยู่ตรงดินดินเนี่ยที่ไอ้เจ้าต้นหา น, นี่มันโตขึ้นมาเนี่ยดินเนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาและสังขารเท่านั้นเอง สอย่างเนี้ยเป็นที่ตั้งก็เรียกว่าวิญญาณทิติเป็นที่ตั้งของวิญญาณเวลามันโตมันงอกงามขึ้นมาก็โผล่มาจากดินดินในที่นี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับรูปใบธนาสัญญาและสังขาร4ี่อย่างรูปอยู่ที่ไหนอะไรก็ตามที่เป็นของแข็งของเหลวกา๊าซท่าสี่ดินน้ำใหลลมตานามันรัดเริงได้หมดแต่นาเข้าไปยึดโยงสิ่งนั้นได้หมดความรู้สึกสุก็ตามทุก็ตาม แต่สัญญาคือความหมายรู้ไม่ว่าจะหมายรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายหลืใจสังการการปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งใดให้เป็นสิ่งหนึ่งปรุงแต่งอีกสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งได้ตนามันจะรัดเรืองตรงนี้นี่คือดินที่เจ้าตานามันจะโตได้เป็นวัชพืชเป็นเสาวันที่จะรัดเรืองจิตใจเราที่เราเห็นเป็นต้นเป็นอะไรออกมาเนี่เป็นลักษณะของคําพูดเป็นลักษณะของการกระทําหรือเป็นความคิดเนี่ยซึ่งเป็นไปตามอํานาจของตานาเป็นการพูดการคิดการทํา ที่ถูกตันหานั้นบังคับอยู่ตุรหานั้นรัดเรึงอยู่ทำไมพูดอย่างนี้ทำไมต้องการสิ่งนั้นทำไมไปทำอย่างนี้จะดีก็ตามจะชั่วก็ตามแต่ถูกสิ่งนี้รัดเริงอยู่แม้แต่ความคิดนั้นนะทำฟังความคิดไม่ใช่จิตแต่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรานึกแต่สิ่งที่เราวิตกวิจารณ์เป็นไปตามอำนาจของตันหาที่มันรัดเรึงอยู่เอาเราตามเข้าไปตามจนถึงโคนมันาว่าสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักที่ยินดีลักษณะอย่างนี้ นั่นคือเป็นที่ตั้งตนาได้เอามันโตอยู่บนนี้บนดินดินก็เปรียบเสมือนที่โตของวิญญาณสี่อย่างนั่นคือรูปเป็นาสัญญาและสังขารอยู่ตรงนี้ตามต่อลงไปขุดลงไปขุดลงไปจนถึงรากของมันคือในทางพฤกษศาสตร์เนี่ยการทํางานของรากและรากก็จะเป็นลักษณะหนึ่งตัวลําต้นก็เป็นลักษณะหนึ่งมันต่อกันอยู่ก็จริงแต่ลักษณะเซลล์ลักษณะการทํางานมันจะไม่เหมือนกันแต่เพราะรากนี่มันไม่โดนแสงใช่ไหม นะชุ่มอยู่ได้ดินกับน้ำเพราะนั้นมันต้องมีการการะทำงานอีกคนละแบบกับเจ้าตัวลําต้นไอ้เจ้ารากของมันเนี่ยที่เราขุดลงไปขุดลงไปจนกระทั่งเจอรากแล้วนะรากของตันหานั้นก็คืออวิชชาเต็มฝั่งอวิชชามันรัดดึงอยู่ในอะไรมันซ่อนตัวอยู่ในอะไรแต่มันซ่อนตัวอยู่ในจิตนั่นเองจิตไม่ใช่ความคิดนะความคิดนม่นเป็นตัวต้นแล้วนะดอกผลที่ออกเนี่ยใบที่ออกเนี่ยคือคําพูดการการะทา ตัวลำต้นของมันคือจิตใต้ลำต้นนี้ลงไปเป็นรากเกื้อพิชชาจิตนั้นเติบโตอยู่เติบโตอยู่เจ้าบนรูปเบตนาสัญญาและสังขารจิตตอนแรกเป็นมเมล็ดท่านฟังเป็นมเมล็ดพืชยังมีเชื้องอกอยู่ถ้ามันมีดินดินก็คือเจ้ารูปเบตนาสัญญาสังขารมีน้ํารดลงไปเดี๋ยวรอสักหน่อยเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาได้เหมือนกันจิตของเราที่เป็นมเมล็ดอยู่เนี่และแตถ้ายังมีเชื้องอกอยู่ คือความเพลินความกำหนักยินดีนนเวลาเจอดินเจอน้ำมันโตได้แน่นอนมันโตปุ๊บปุ๊บปุ๊บบางคนเนี่โตเร็วมากบึมๆมขึ้นมารัดรึงหมดเลยแค่ข้ามคืนนี่ไปเรื่องใหม่แล้วแล้วไอ้เจ้าเมเล็ดคือจิตเนี่ยถ้ามันยังมีเชื้องอกอยู่เวลามันโตออกมาเป็นรากโตออกมาเป็นต้นเนี่ยมันคลืบกายไปหมดมันคือตัวต้นมันคือตัวรากนั่นเองเพราะนั้นไอ้ราก ที่เปรียบเสมือนอวิชาต้นที่เปรียบเสมือนความคิดดอกผลที่เปรียบเสมือนการกระทําคําพูดจิตเราจึงไปเกาะเกี่ยวเปลี่ยนแปลงจากเมล็ดเปลี่ยนรูปออกมาเป็นทั้งรากคกือบวิชาด้วยเป็นทั้งอารมณ์ความคิดนึกมันอยู่ในนี้หมดนี่คือจิตนี่คือมันแฝงตัวอยู่ในนี้ทําให้เราเนี่ยคิดว่าไอ้เจ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวจิตเป็นตัวตนของเราเพราะมันเปลี่ยนรูปไปแล้วจากเมล็ดมันแตกออก เปลี่ยนแปลงไปทําให้เราเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นๆเป็นตัวเราของเราเพราะนั่นนี่แหละคือลักษณะการทํางานของมันเราเห็นแล้วรู้ต้นตอของมันแล้วพรชาตอนนี้พัดไอ้เจ้าเมฆหมอกนี้ออกแล้วเอาแสงสว่างฉายมาแล้วว่าต้นปัญหามันเป็นอย่างนี้มันออกดอกออกผลตรงนี้ต้นมันรูปเป็นก อ, กอข้ามาได้6 ก, กอลักษณะการทํำงานมันเป็นอย่างนี้ตัวต้นอยู่ตรงนี้รากมันลงไปตรงนี้ เรารู้ข้อมูลนี้แล้วเรากําจัดวัชพืช น, นี้ออกเสียทํางวันทำยังไงล่ะต้องใช้เครื่องตรวจก่อนว่าไอ้เจ้าต้นไม้ของเราเนี่ยไอ้ต้นปัญหาของเรามันอยู่ตรงไหนแต่ใช้เครื่องตรวจคือสติจะคอยตรวจตราจิตใจของเราดูปัญหาที่เราคิดว่าอยู่ภายนอกแต่สิ่งต่างๆภายนอกเป็นปัญหาตรงนั้นตรงนี้ใช่อยู่เหตุของปัญหาล่ะเหตุปัญหาไม่ใช่อยู่ภายนอกทํางวังเหตุปัญหาอยู่ในใจเอาเราลองหาดูปัญหาอยู่ที่ไหน นั่นคือต้นเหตุของปัญหาปัญหาที่ในชีวิตของเราเนี่ยทุกใครๆก็มีคนมั่งมีก็มีปัญหาขคนมั่งมีคนยากจนก็มีความตรงคนยากจนคนคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จก็มีปัญหาของคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ว่าคนมีความสามารถก็มีปัญหาที่ของคนที่มีความสามารถคนไม่มีความสามารถก็มีปัญหาของคนที่ไม่มีความสามารถคนไม่มีข้าวของก็มีปัญหาของคนไม่มีข้าวของคนมีข้าวของมากเกินไปก็เป็นปัญหาอีก ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นแน่นอนปัญหามันก็เกิดมาต่างตาทางหูนี่แหละแต่เหตุของปัญหานั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกเหตุของปัญหานั้นอยู่ข้างในอเวลาที่เราเห็นต้นมันโตบางนั้นโตบงนี้ดอกบางอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่านั่นเป็นรากนั่นไม่ใช่เหตุของดอกของมันนะผลของมันเนี่ยไม่ใช่เหตุตรงนั้นเหตุของดอกเหตุของผลมันต้องมาที่ต้นเหตุของต้นมันต้องมาที่รากเพราะนั้นถามว่าไอ้ที่เรามีปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มาจากสิ่งอื่น เฮเขามันมันอยู่ในใจของเราการที่เราเข้าไปเราเรูยเราจะต้องตามเข้าไปเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้อต้นมันอยู่ตรงไหนรากมันอยู่ตรงไหนคุณใช้เครื่องตรวจแต่ใช้เครื่องตรวจคือสติต้องตรวจตรา ด, ดูจิตก็อยู่ตรงไหนนั่นตั้งจิตขึ้นไว้จิตมาอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่สติตั้งขึ้นทันทีอา้าวสติเกิดแล้วนั่นแหละดีแล้วนั่นสติก็อย่างหนึง่งจิต ก, ก็อย่างหนึง่งความคิดก็อย่างหนึง่งตรวจดวูให้ดีเราจะไปเจอต้นมันต้นคือใจนี่แหละนั่นดิน คือสิ่งที่มาเป็นกระทบอาอันนั้นเป็นคนละอ่านกันดินไม่ใช่ต้นมันเลยไปคิดว่าดินเป็นต้นได้อันนั้นก็จะเป็นเครื่องรอกที่ให้เราคิดว่าไปขุดตรงนั้นแต่ขุดผิดที่คุดให้มันถูกขุดที่จิตขนะุดลงไปเจอให้ดีเห็นรากมาแล้วตัดมันตรงนั้นตัดมันตรงนั้นคือตัดต้นต่อนก็ได้แตนะ่ตัดไอ้เจ้าเครื่องปรุงแตง่งแรงต่า ง, างทําให้จิตเราสงบเจอต้นมาแล้วนะตัดที่โคนต้นมันแล้วคุดลงไปในดินเจอรากเสร็จแล้วถอนขึ้นมา เจอรากถอนขึ้นมาไม่ให้มันมีเศษเหลือแล้วเอาทั้งต้นนี่แหละตงฝั่ ง, งสับให้ยับทําเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่สับเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ทําเป็นซี่ออกมาให้เป็นเล็กๆพึงในแดดในลมให้มันแห้งเสร็จแล้วเอาไปเผาไฟเผาไฟเสร็จแล้วขี้เท่าที่เหลือทานที่เหลือเอามาบดให้ละเอียดเป็นผงเอาผงนี่แหละโรยไปในน้ํากระแสน้ําที่เชี่ยวจัดหรือปล่อยให้เปนพัดในกระแสลมที่พัดจัด ต้นของตัณหานี้มันจะหายไปทีเดียวเราทำความสาดจิตของเราอย่างนี้ให้มองให้เห็นดูให้รู้ถ้าไม่แน่ใจเวลาถูกรัดรึงแล้วพยายามที่จะตั้งสติขึ้นเอาไว้ใช้เครื่องตรวจหานัินตั้งสติเอาไว้ให้มีสตินในลมหายใจจุญบกรณ์